ภิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แกพ่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้เขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาเครือหัดผู้ไม่ใช่ญาติกำหนดชนิดจีวรเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สง ขันสละแล้วพึงสแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสลัให้ด้วยยติกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนผนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนผนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูป ผมอุตราสงเสวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรเผินนี้เขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนกระผมก็ไปหาเครหันผู้ไม่ใช่ญาติกําหนดชนิดจีวรเป็นนิสกีกระผมสลัดจีวรผินนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วเพิน่งแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัต พึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรเพลนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรเพลนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งหอมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวว่าท่านครับ จีวนันเพื่อนี้เขาไม่ได้ปรณนาไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาเครือันผู้ไม่ใช่ญาติกําหนดชนิดจีวรเป็นนิสกีเระผมสละจีวรเพื่อนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าเระผมคืนจีวนันเพื่อนี้ให้แก่ท่าน